บทที่24อิทธิบาทเพื่อหัดสั่งน้ำดื่มแก้วเดียวจึงมานั่งที่โต๊ะเร็วกว่าคนอื่นเขาชำเลืองแลน้ทะเลไม่วางตาแม้ยืนหันหลังให้เขาเพื่อหัดก็ได้เห็นอารมณ์หวานรื่นที่หล่อนมีต่อจองเริกถนัดเดิมทีเขาไม่เชื่อสนิทนักว่าระดับนั้นจะยอมรับจองเริกเป็นแฟนจริงทว่าบัดนี้จำต้องกัดฟันเชื่อจองเิกไม่เพียงจีบติด แต่ยังทำให้เจ้าหล่อนหลงไหลได้ปลื้มเอามากอีกด้วยประมาณว่ายอมเป็นฝ่ายทอดแขนเกี่ยวคอแฟนหนุ่มโน้มมาจุมพิษตนด้วยความพิศว ร, รลึกซึ้งได้แล้วทำนองนั้นนั่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อในสายตาของเขาอาจจะเพราะเขาไม่เคยพินิจจริงจังว่าจองเริกมีเสน่ห์ในตัวอย่างไรบ้างแค่เห็นว่าไม่อรอสังคมแคบพูดกับผู้หญิงไม่เป็น เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับคอมพิวเตอร์หน้าดำาคร่อาเครียดทั้งวันก็ตัดสินแล้วว่าหมดสิทธิ์จีบหญิงติดอย่าว่าแต่สาวสวยเลยก็แค่หน้าตาพื้นๆดัดๆก็ยากเต็มเกลืนมองมุมใหม่ในวันนี้เขาเห็นใครอีกคนที่มีความเฉียบคมปราดเปรียวและแข็งแกร่งคุณสมบัติเหล่านั้นอาจทำให้ผู้หญิงใจอ่อนอยากได้มาเป็นองครักษิทธาหัวใจ โดยไม่ต้องทำศิรยกรรมใบหน้าเสียก่อนจะอย่างไรก็ช่างเถอะยามนี้เมื่อเฝ้ารอบมองจองเลิกยืนคู่กับนัชเลอย่างชื่นมืนแล้วเพื่อหัดก็ไม่รู้สึกอะไรอื่นมากไปกว่าเห็นไอ้เพื่อนเวนนี่แย่งเมียเข้าไปปกติคิ ด, ค, ดคิดฝันฝันเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนพอเจอตัวจริงสมฝันก็เหลือแต่ความอยากฟันเป็นหลักแต่กับนชเลมีกระแสบรรยากาศบางอย่างที่ละไมยังฝันอยู่ เขาเลิกพยายามทำความเข้าใจกับความลึกลับของอารมณ์ตนแต่หันมาพยายามคิดวางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไรอารมณ์ฝันตนจึงจะเป็นจริงถึงจุดยอดละองฝนเดินนำจานภายสับปะรดกับน้ําส้มมานั่งหล่อนยิ้มให้เขาบางๆและพฤหัสก็ยิ้มตอบในแบบที่สาวเห็นแล้วแทบสุดทั้งยืนมาหลายร้อยรายหายเหนื่อยหรือยังครับฝนขานชื่อหลอนอย่างสนิทสนม ยังเพลี ย, ยู่เลยอ่ะนานๆออกกำลังจนเหงื่อท่วมอย่างนี้ทีท่าทางต่อยไม่เหนื่อยเลยนะคะเล่นประจำก็เหนื่อยยากหน่อยครับชินแล้วพวกเราน่าจะมาเล่นการอีกบ่อยๆผมกับเลิก ม, มาที่นี่เป็นประจำเลยไม่เข็ดที่จะเล่นคู่กับฝนเหรอโอยไม่เลยเล่นเอาสนุกแล้วพวกเราก็ได้ความสนุกกันแล้วไงอีกอย่างนานๆได้เล่นคู่รู้สึกดีไปอีกแบบผมชอบบรรยากาศ ร, ร่วมทีมกัน เหมือนมีส่วนขยายของเราแตกออกไปแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันมายาการในสายเลือดทาให้ไม่ต้องฝืนกัดฟันพูดแม้แต่น้อยทั้งที่เมื่อครู่คับแขนแทบอยากบีบคอหล่อนเขยา่าเขยา่าได้ออกกำลังกายก็รู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะละอองฝนเอ่ยคล้ายตอบรับอยู่ในทีและนั่นก็ทำให้พฤหัสตาสว่างสาวน้อยนางนี้จะเป็นใบเบิกทางสาคัญ ปลายตาดูนิดเดียวก็รู้แล้วว่าเจ้าหล่อนเป็นอีกหนึ่งในบรรดาหญิงงามที่ติดแล้วเสน่ห์ของเขาเข้าอย่างจังรู้จากเริกว่าบ้านฝนอยู่ใกล้นิดเดียวใช่เดินไปหน่อยก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วค่ะแล้วหล่อนก็เปรยต่อยกับเรกิกท่าทางต่างกันมากนะมาสนิทกันได้ยังไงตอนมัธยมต้นเคยเล่นแบดคู่ให้โรงเรียนก็สนิทตั้งแต่นั้น อีกอย่างคบๆไปแล้วมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ผูกพันกว่าเพื่อนคนอื่นด้วยขยักไว้ไม่แถลงไขให้กระจ่างว่าถ้าไม่มีความผูกพันดังกล่าวป่านนี้เขาคงสอบตกไปหลายวิชาได้ยินว่ากีราทำให้ผู้ชายเป็นเพื่อนรักเพื่อนแค้นและผูกพันกันมากกว่าเพื่อนทั่วไปเราออกฝนเดาเช่นนั้นเพื่อหันหเราะเอ่ยเอ่ยรูปร่างหน้าตาสาวน้อยนางนี้มองเพลินใช้ได้ แต่เขาก็เริ่มเรียบเคียงเข้าหาเป้าหมายฝนกับซรายท่าทางสนิทคุ้นเคยกับเจ้าเลิกดีนะเหมือนคบหามานานแฟนคนแรกของทรายนะ่ะฝนเพิ่งเห็นหน้าครั้งแรกไม่กี่อาทิตย์ก่อนนี่เองพูดคุยทักทายกันแค่สองสามคำเกือบเสริมด้วยว่านับคํามาถึงบัดนี้หล่อนคุยกับเพื่อหัดมากกว่าจองเลิกเสียอีกเพราะทรายเป็นแฟนคนแรกของเลิกเหมือนกัน เพื่อหัดทาเสียงตื่นแต้นตาโตหน่อยๆเลิกมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังกับผมตลอดเจ้าเพื่อนคนนี้มีอะไรพริกความคาดหมายของเพื่อนฝูงได้เป็นระยะเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมกับทรายใช่ไหมละอองฝนพยักหน้าฝนก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเขานั่นแหละแต่ตอนเด็กๆไม่ค่อยเห็นหรือไม่ค่อยสังเกตกันเท่าไหรทรายบอกว่าช่วงนั้นเลิกเป็นคนเงียบมากเก็บเนื้อเก็บตัวตลอด เลยไม่เด่นเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บตัวผมต้องคอยต้อนมันออกมาดูเดือนดูตะวันเสียบ้างแล้วเขาก็ทําทีคล้ายลังเลว่าจะพูดดีไหมความจริงผมเคยพยายามแนะนําสาวๆให้เลิกหลายคนเหมือนกันนะแต่เหลวตลอดไม่นึกว่ามันจะหาได้เองอย่างนี้มีสักกี่คู่ที่เป็นเพื่อนเก่าสมัยประถมแล้วเวียนกลับมาพบเจอกันอีกแถมลงเอยได้เป็นแฟนกันซสียด้วยก็น่าระทึกทีเดียวละ่ะ กับวิธีเจอกันอีกครั้งบางทีชะตาลิขิตของแต่ละคู่ก็น่าสนุกเหมือนใครแกล้งจัดฉากไว้มีอย่างที่ไหนเพื่อนเก่า ว, วิ่งหนีนักเลงมาจนตรอกต้องปีนบ้านมาเจอกันได้อย่างนี้เพื่อหัดหูผึ่งนั่นเป็นข้อมูลสุดจะน่าทึ่งชิ้นใหม่แต่ก็หัวเราะเรื่อยเฉยแบบทำตัวเป็นคนสนิทที่ไม่เคยตกข่าวรู้เห็นความเป็นไปของเพื่อนซีทุกอย่างนั่นน่ะซี ดีเท่าไหร่ที่คุณพ่อของฝนไม่เอาปืนลูกซองสองเข้าให้ตอนนั้นออกไปธุระข้างนอกกันหมดแม้แต่คนใช้ก็ไม่อยู่สายนั่งคนเดียวที่ซุ้มชิงช้ามีหมาตัวกระเปียกอยู่เป็นเพื่อนโรแมนติกซะไม่มีตอนนี้มาสอนคอมไซที่บ้านทุกวันเลยด้วยเพื่อหัดย่นคิ้วนิดๆรอยยิ้มลดลงด้วยความสงกาว่าอะไรมันจะลงตัวได้ขนาดนั้น วันที่จองเริกปีนบ้านก็คงเป็นวันที่มาเล่นแบดกับเขาแล้วเขาขอแยกตัวกลับก่อนนั่นเองทำไมวันนั้นเขาถึงไม่อยู่ต่ออีกสักนิดขอเพียงเจอเจอณชะเลพร้อมกันจองเริกจะไม่ได้แสงหน้าเข้ามาถึงขั้นนี้ได้เลยให้ตายเถอะอยากหาทางเรียบเคียงซักไซต์ต่อแต่ก็เห็นเงาของเจ้าตัวอนันเป็นเป้าสนทนากาลังเคลื่อนใกล้เข้ามาพอดี เห็นเดินคู่เคียงกับเจ้าหญิงในฝันของเขาแล้วรู้สึกบาดเจ็บปวดแสบปวดร้อนเหลือเกินกำลังคุยอะไรก็เหลือฝนจองเลิกถามยิ้มยิ้มถ้ามันนินทาอะไรเราช่วยเก็บไว้บอกต่อด้วยนะเราจะได้เช็คบินถูกคนสมัยนี้เป็นโรคขี่ระแวงเพื่อหัดพยักพยเยยิ้มกับละอองฝนสงสัยมีความผิดติดตัวเป็นชนกปักหลังอยู่มากเลยกลัวคนอื่นเขาจะนินทากาเล เราองฝนหัวร้อในลำคอเมื่อกี้ต่อยบอกว่าทายกับฝนควรจะเล่นกีฬาให้สม่าเสมอแล้วหล่อนก็หันไปทางน้องสาวความจริงก็ดีเหมือนกันนะบ้านเราอยู่ใกล้สนามแบดนิดเดียวแต่ไม่เคยมาเล่นกันเลยพวกนี้เขาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเราเล่นสู้พวกเขาไม่ได้หรอกนัชเลพยายามพูดบายเบียงเพื่อเลี่ยงการผูกสัมพันธ์ระยะ ย, ยาวกับเพื่อหัส เพราะรู้สึกว่าถ้าพฤหัสจะคบกับละององฝนเขาก็คงมองพี่สาวหล่อนด้วยสายตาของเด็กที่เห็นของเล่นชิ้นใหม่เท่านั้นให้หนุ่มๆสอนเราก็ดีนะท่าทางเบสิกแต่ละคนแน่นฝังเลยเห็นว่าเคยแข่งให้โรงเรียนด้วยละ่ะละองฝนไม่วายแสดงความกระตือรือร้อนออกนอกหน้าน้เลปลายทางตาเลพ่พฤหัสหน่อยหนึ่งเพลอแป๊บเดียวท่าทางหมอนี่กลวยทางไปได้เยอะแล้วน่าทึ่งนะ เด็กสาวเบนหน้ามาทางแฟนหนุ่มเป็นการเบี่ยงประเด็นเธอนี่เก่งรอบตัวไปหมดทั้งเรื่องเรียนเรื่องกีฬาสงสัยคงทำกรรมมาดีพอพูดเข้าเรื่องกรรมอันเป็นเบื้องหลังความเก่งละองฝนก็ร่วมให้ความสนใจในทันทีนั่นสิเอาที่เห็นเห็นในชาตินี้เธอว่าเธอทำอะไรมั่งถึงได้เก่งไปหมดจองเลิกรู้สึกราวกับใครเอาลมมาปั้มใส่อกให้พองเป็นลูกโป่งก็ พยายามยิ่งที่จะเก็บอาการยืดแต่เก็บอย่างไรก็ไม่แนบเนียนนักเราแค่ทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่สนใจน้เลยพยักหน้าน้อยๆ อ, อืมทุ่มสุดตัวนี่ก็คืออิทธิบาทสีเต็มขั้นนั่นเองสองหนุ่มฟังแล้วงงๆแม้จะคุ้นว่าเคยได้ยินมาก่อนอยู่บ้างแต่ก็นึกไม่ออกว่าคืออะไรเป็นยังไงหรอจองเอกอมยิ้มถาม ก็เป็นอย่างที่เธอว่าเธอทุ่มสุดตัวนั่นแหละทุ่มสุดตัวของเธอเป็นยังไงละ่ะอืมก็ถ้าเราติดใจอะไรเราก็จะอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนด้วยความสนุกแล้วก็คิดคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเรียกว่าเป็นคนยอมลงทุนลงแรงลงเวลาชนิดเทหมดหน้าตักเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการแฟนหนุ่มพงกศรสารับและเสริมว่า อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนชอบทางรัดเราจะตื่นเต้นเป็นพิเศษถ้าเป็นคนค้นพบทางรัดได้ก่อนใครถ้าเหมือนเล่นกลได้ก็ยิ่งสนุกเลยซายก็เห็นอยู่นะว่าเริกหลงไหลคลั่งไคลมายากลเป็นพิเศษสองหนุ่มสาวสารตายิ้มยิ้มอย่างรู้กันและจองเริกก็เผยว่าตอนเด็กๆเราขนซือุปกรณ์มายากลจนแทบไม่เหลือเงินไว้กินขนม หมกมุ่นกับมันอยู่ช่วงหนึ่งจำได้ว่าอยากทำอาชีพแหกตาชาวบ้านอย่างถูกกฎหมายมากเลยไม่น่าล่ะกูถึงรู้สึกว่ามึงเป็นคนเจ้าเล่ห์พลิกแพลงเก่งมาตลอดเพื่อหัดเห็นช่องตัดคะแนนเพื่อนด้วยสำเนียงสัพยอกหยอกเล่นละองฝนมองจองเลิกนิ่งๆมาครู่หนึ่งพอถึงจังหวะนั้นก็เอ่ยอย่างที่ใจนึก มายากลทำให้คนเราคิดอย่างที่คนอื่นไม่คิดมองอย่างที่คนอื่นไม่มองแล้วด้วยวิธีของมายากลก็ทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือมนุษย์อื่นฝนว่าคนเราชอบมีฤทธิ์แล้วก็ชอบดูการแสดงฤทธิ์อาชีพผู้วิเศษกรมลรอถึงได้รุ่งแต่ทายเคยเห็นมาแล้วนะ นัชเลพูดกับพี่สาวแต่สายตาทอดจับแฟนหนุ่มว่าความคิดแบบมายากลก็กลายเป็นริบเดชบันดาลให้เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นมาได้จริงๆทุกแวดวงถึงมีพ่อมดประจำวงการไงและอองฝนเออออย่างเช่นแฮกเกอร์ก็คือพ่อมดในโลกของคอมพิวเตอร์จริงไม่เอ่ยพูดอย่างพอรู้เราเราว่าจองเิกเป็นแฮกเกอร์มือากาตขณะช่วยปัดเป่าทุกภัยให้กับนัชเลได้มาแล้ว แต่แทนที่จองเลิกจะรู้สึกดีกับการเป็นเป้าแห่งความชื่นชมของสาวๆเขากลับขยับตัวอย่างอึดอัดเพราะแม้เพื่อนสนิท ต, ตั้งแต่เด็กอย่างพุทธหัสก็ไม่เคยระแคะระคายความเคลื่อนไหวใดๆในฐานะพ่อมดคอมพิวเตอร์ของเขามาก่อนเลยพ่อมดที่ไหนละ่ะเพลจ้องคอมตาไมก่กระพริบทีไรคนชอบว่าเราเหมือนตุ๊กตาผีดิบอยู่เรื่อยสองสาวหัวเราะคิกคักกับวิธีถอมตัวติดตลกของเขา ก็ใช่เนอะแล้ว อ, องฝนเห็นด้วยหลายคนนั่งจ้องคอมนานๆแล้วตาแห้งตัวแข็งทื่อเหมือนโดนคอมดูดวิญญาณไปจนเหลือแต่ซ่าจริงๆโหสงสัยต้องระวังตัวแล้วสิเราตอนนี้ซายยิ่งติดใจคอมตามเริ่องอยู่ด้วยพอเริ่มติดใจก็เริ่มมีไฟอิทธิบาทจุดขึ้นเป็นดวงแรกไงละอองฝนให้กำลังใจเดี๋ยวพอไฟอิทธิบาทลุกขึ้นเต็มสี่ดวง เธอก็มีฤทธิ์เป็นแม่มดคอมพิวเตอร์ตามแฟนคำพูดของละองฝนสะดุดใจจองเริกเพราะรู้สึกว่ามีความจริงอยู่ในนั้นแม้จะยังมองเห็นเป็นเพียงภาพเลือนรางฟังเหมือนอิทธิบาทสีเป็นหนทางของการได้ฤทธิเดชหรือเปล่าใช่เลยลัชเลเป็นคนตอบพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ชัดเจนว่า อิทธิบาทคือแนววิธีเพื่อกระทำตนให้เป็นผู้มีฤทธิ์เฉพาะทางใครมีอิทธิบาทครบสี่ข้อเต็มขั้นจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ได้ชื่อว่าถึงซึ่งความมีฤทธิ์ในทางนั้นๆอย่างเทียบดูแล้วก็ตรงกับความรู้สึกนะในสนามแบดเลิกเหมือนมีอำนาจวิเศษอยู่จริงๆลูกยากแค่ไหนก็ก้าวเท้าพรวดพรวดไปรับได้แล้วบทจะตบก็ตบได้แรงราวกับยิงธนู เกือบเติมท้ายว่าสาวเห็นแล้วเกิดอารมณ์กรี๊ดอยากส่งเสียงเชียร์ด้วยความตื่นตาตื่นใจแต่เท่าทันเจตนาของตนเองยามนั้นว่าถ้าพูดตามที่คิดก็คงเป็นไปเพื่อทําให้เพื่อหัดริศยาเพื่นเล่นจึงยับยั้งไว้เสียส่วนเพื่อหัสหลังจากเห็นสองสาวเทประกายตาชื่นชมไปให้จองเลิกคนเดียวก็เกิดความอิจฉาจนก้นร้อนต้องเปลี่ยนท่านั่งถึงสองหนในเวลาไล่เรียกกัน เกิดมาไม่เคยตกอยู่ในฐานะมนุษย์ล่องหนมาก่อนปกติจะนั่งเป็นประธานใหญ่ฉายรัศมีห้องเต้คมหนุ่มอื่นอยู่เสมอชไหนคราวนี้จึงปล่อยให้มีใต้อ๋องมาเบียดบันลังได้เล่าชักอยากเป็นพ่อมดขึ้นมามั่งแล้วสิเพื่อหัดเปรยแบบเรียกร้องความสนใจจำได้ว่าเคยเรียนแต่ลืมแล้วสี่ข้อของอิทธิบาทมีอะไรมั่งหรือครับทรย นั่นเป็นการส่งคำถามเพื่อขอเสวนากับนัชเลตรงๆเป็นครั้งแรกขานชื่อล่อนเต็มเสียงเป็นครั้งแรกและหล่อนก็หันมาสบกับเขาเต็มตาเป็นครั้งแรกเช่นกันต่างฝ่ายต่างชะงักนิ่งไปนิดหนึ่งก่อนเด็กสาวจะเอ่ยตอบด้วยเสียงเรียบเฉยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อหัดเบิ่งตาค้างตีหน้าเหมือนเผอิญเจอแม่ชีพูดด้วย แล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องจนต้องเอียงคอถามเสียงเออแปลว่าอะไรอ่ะน้เลเกือบหัวเราะลีลาเหลอหลาหน้าขันนั้นแต่รู้ว่านั่นเป็นวิธีย้อนเกรดตนที่พูดแต่บาลีลุ้วนจึงต้องทำหน้าเฉยสนิทสืบต่อฉันทาแปลว่าพอใจวิริยะแปลว่าความเพียรจิตตะแปลว่าฝักไฟวิมังสาแปลว่าใครครวนจําง่ายว่ามีใจรัก รู้จักภาคเพียนเวียนไฝ่ใจใคร่ครวเสมอหล่อนเอาคำครองจองที่แม่ให้ไว้จำนิยามอิทธิบาศสีง่ายๆมาพูดเหมือนที่เริกบอกว่าชอบอะไรก็ทุ่มสุดตัวไงแล้วองฝนช่วยขยายความพอเกิดแรงบันดาลใจติดใจอะไรตรงนั้นคือเกิดฉันทะพอมีกำลังอยู่กับสิ่งนั้นได้ทั้งวันทั้งคืนตรงนั้นคือวิริยะพอเอาแต่คิดคิดถึงแต่สิ่ง แต่เรื่องที่สนใจไม่เลิกตรงนั้นคือจิตตะพอคนคว้าสแสวงหาทางเอาสิ่งที่ต้องการมาให้ได้มีการประเมินผลมีการคิดใหม่เมื่อของเก่าล้มเหลวหรือหาทางลัดเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นตรงนั้นคือวิมังสาโอเคเลยจองเลิกฉีกยิ้มอย่างน้อยเราก็มีธรรมะอยู่บ้างโดยไม่รู้ตัวนัชเลอธิบายสับอย่างเช่นอิทธิบาทแค่ทาหน้าที่แจกแจงความจริง แต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องท่องจาเป็นคำคำเสียก่อนแล้วถึงจะเป็นคนมีอิทธิบาทได้ตรงข้ามอย่างซายรู้ความหมายของอิทธิบาทแต่ก็ไม่ได้มีไฟอิทธิบาททั้งสี่เจิดจ้าเท่าหนึ่งในร้อยของเลิกหลอ ก, อกพื่อหัดเผยปากหน่อยหน่อยชักรู้สึกแปลกแยกเหมือนแกะดำหลงเข้ามานั่งตรงใจกลางฝูงแกะสีตรงข้ามเกือบตอบตัวเองไม่ถูกว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ทาไม เธอคนนั้นเธอผู้เหมือนฝันที่เป็นจริงเธอสวยสดงดงามเธอมีธรรมะเจ้าข้าเอย๋ยนี่เขาหันมานิยมผู้หญิงธรรมะธรรมโมตั้งแต่เมื่อไหร่กันนั่นมิแปลว่าต้องปรับมุมมองตัวเองใหม่ละหรือแท้จริงแล้วอดุตชาติของเขาคงมีจิตวิ ญ, ญญาณที่สูงส่งแน่เลยจึงเคยมีโอกาสทาบุญร่วมกับเธอมาและดนใจให้ปรารถนาจะครองคู่อยู่ด้วยกันต่อไปอีก เรื่อยๆสลัดหน้าเล็กน้อยด้วยความมึนงงขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนจับจ้องสาวน้อยฝั่งตรงข้ามอีกครั้งคราวนี้เขาเห็นใครคนหนึ่งสวยแพลวมีแววหวานช้ายและสาสตรประกายสเสน่ห์แรงพอจะทำให้คนมองหลงละเมอเพ้อไปว่าเป็นเนื้อคู่ของตนอย่างแน่แท้ดูเหมือนเขายอมทำอะไรก็ได้เพื่อครอบครองหล่อนไม่ใช่สิถ้าตั้งใจครอบครองหล่อนเขาควรรู้ให้แน่ๆว่า ต้องทำอะไรไม่ใช่ยอมทำอะไรก็ได้เสียงคุยกันเรื่องธรรมะของเพื่อนร่วมโต๊ะทำให้ประสาทหูของเพื่อหัสหยุดทำงานไปชั่วขณะและหันมาครุ่นคิดทบทวนรายละเอียดต่างๆทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือโจทย์ขอเพียงตีโจทย์แตกเขาก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดในชีวิตเป็นรางวัลเสียงสัญญาเรียกเข้าของมือถือดังขึ้นและนัชเลก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์สื่อสารของตนขึ้นกดรับฮัลโหล วันนี้ขี้เกียจไปอ่ะอ้าวเหรอเอออย่างนั้นก็ไปได้เดี๋ยวทายกลับไปอาบน้ำที่บ้านก่อนนี่มาตีแบดกับพี่สาวยกมารับทายที่บ้านหน่อยนะขอเวลาชั่วโมงเดียวเมื่อส่งสองสาวที่หน้าบ้านเรียบร้อยพระหัดก็เอียงคอเหล่เพื่อนหนุ่มทันทีไงมึงนะ่ะเจอกูตัวตัวให้จบจบไหมจองเริกแค่นยิ้มแล้วเริ่มก้าวเท้าออกเดิน พูดอย่างกับจะท้าชกไอเวนเพื่อหัดยิ้มเกรียมคิดในใจว่าอยากหาเรื่องท้าชกอยู่เหมือนกันพ่อจะชกให้คว่ำเข้าเมาเลยคอยดูโทษฐานดอดเอาเนื้อคู่ของเขาไปควงก่อนได้รับอนุญาตมึงกลับไปสนามแบดกับกูเดี๋ยวนี้เลยกูกำลังเข้าฝักอยู่ดีๆมึงก็เสือกชวนเลิกอารมณ์ค้างหมดพนันกันดีกว่าใครแพ้คลานสีตีนรอบสนามแบดไม่ได้ชกหน้าด้วยมัด จบด้วยลูกขนไก่ไปเสียแทงใจก็ยังดีเอาให้อายหมากันไปข้างแต่จอเริกลับสายหน้าหัวเราะหึห่หึกับท่าทีโอหังของหมูไม่กลัวน้าร้อนวันนี้เหนื่อยแล้วอยากอาบน้ามากกว่าเฮ้ยทำไมใจสอดอย่างนี้ละ่ะเอาหน้ากูกําลังชุ่มชื่นหัวใจไม่มีแก่ใจทําอย่างอื่นคำพูดเจ้าเพื่อนยากคล้ายคาถาบิดไส้เพื่อหัดถึงกับทาหน้าเยกูจะอ้วกนี่แหละเห็นไมล่ล่ะ ความริษยาณนั้นร้ายกาจขนาดไหนถึงกับอ้วกทีเดียวระวังของที่ขย่อนออกมาจะมีสีแดงเหมือนเลือดนว้ยลักษณะการเดินทอดน่องอย่างคนอารมณ์ดีแต่มีวาจาทิ่มแทงของจองเริกนั้นแทบเค้นให้พฤหัสรู้สึกเหมือนจะกระอาดเลือดได้รำไรเด็กหนุ่มมือไม้สัน่นก้ากึกงอยู่ในระหว่างความคันหัวใจเล่นๆกับอาฆาตแค้นอยาฆ่าคนขึ้นมาจริงๆ จริงอย่างชนิดที่ถึงกับต้องขบฟันขมอารมณ์เมื่อรู้สึกว่าตนชะเกิดวูบความคิดใหญ่เกินเหตุเสียแล้วตกลงมึงจะกลับบ้านเสียงของพูรหัสผ่อนลงเดี๋ยวแวะอาบน้ำที่นี่ก่อนที่ไหนมึงตามกูมาแล้วกันเดินมาจนถึงบ้านชั้นเดียวหลังหนึ่งสภาพดีสีเพิ่งทาใหม่ในพื้นที่กว้างพอจะมีลานสนามหญ้าผืนเล็กไว้ปูเสือนั่งเล่นแต่ไร้ต้นไม้ใหญ่ในอณาบริเวณ จึงแลโล่งโถงเหมือนบ้านในโครงการเพิ่งเสร็จใหม่พฤหัดทำตาโตเมื่อจองเริกวคว้ากุญแจขึ้นมาไขเปิดประตูเฮ้ย <Hey, S 1> ร้องหนักหนักด้วยความตกใจบ้านใครตกใจกับความบังเอิญเหลือเชื่อที่เพื่อนหนุ่มมีหลักแหล่งที่อยู่ใกล้บ้านแฟนอะไรจะประจวบเหมาะขนาดนั้นจองเริกหัวเราะหึๆทีแรกเกือบจะโกหกว่าเป็นบ้านญาติแต่เกิดนึกอยากลองพูดความจริงดูบ้างบ้านกูเอง กูซื้อไว้อาบน้ำพาเพื่อนเดินเข้าบ้านด้วยท่าทีคุ้นเคยแบบเจ้าของเขาพึ่งลิ้มรสวาจาอันเป็นจริงในสถานการณ์ที่ชวนให้อยากโกหกเกิดความรู้สึกหนักแน่นจิตใจมีความเที่ยงตรงไม่บิดเบี้ยวคำพูดมีพลังในตัวและเหมือนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมที่รู้จักปฏิเสธคำเท็จในปากอย่างไรก็ตามคาพูดที่เป็นจริงในบางครั้งก็ฟังเกินจริงได้เหมือนกันเพื่อหัดหัวเราะด้วยความสังเวชใจ ให้ไอบุคคลมีรายได้น้อยถ้าอย่างมึงมีเงินซื้อบ้านไว้อาบน้ํากูคงต้องรีบซื้อคอปเตอร์ไว้ส่องอี ก, กาเล่นมั่งแล้วค่าคอปเตอร์ยังขาดอีกเท่าไหร่มายืมกูก่อนได้นะซุบเสียงจองเลิกฟังดูเป็นหลักเป็นฐานเรากับอาเสียที่มีเงินเป็นร้อยล้านให้เขายืมมาซื้อเฮลิคอปเตอร์ได้จริงๆเพืหัดได้ยินแล้วสายหน้าช้าๆหัวเราะ อ, ออกมาอีกขยับปากจะพูดแต่ก็พูดไม่ออก เพราะอยากหัวเราะต่อแต่พอมายืนข้างในพรรื่หัสก็ชักเอะใจเพราะบ้านทั้งหลังว่างโล่งไร้ข้าวของเขาถือวิสาสะก้าวไปเปิดดูทีละห้องจึงทราบว่านอกจากห้องน้ำกลางกับห้องนอนปีกขวาแล้วไม่มีสมบัติข้าวของเครื่องใช้ใดๆให้เห็นอีกเลยซึ่งนั่นก็แสดงว่าเพื่อนเขาอยู่ตามลำพังโดดๆจองเิกเปลี่ยนเสื้อผ้ามานุ่งผ้าเช็ดตัวผื้นเดียว พฤหัสยืนเท้าเอวอยู่หน้าประตูห้องสบตากับเพื่อนฝ่ายนั้นเบะปากให้นิดหนึ่งแล้วเดินผ่านเข้าไปเพื่อเข้าอาบน้ำกูอาบก่อนเดี๋ยวค่อยตามึงคนอยู่ในฐานะแขกผู้มาเยือนขมวดคิ้วย่นมองกวาดและเดินสำรวจทั่วบ้านอีกครั้งทั่วทุกหนทุกแห่งว่างเปล่าแต่ห้องนอนปีกขวาที่จองเริศเข้าไปเปลี่ยนชุดนั้นมีโต๊ะทางานใหม่เอี่ยมตู้เสื้อผ้าใหม่เอี่ยม บเบาะนอนแบบปิกนิกใหม่เอี่ยมที่เหลือคือร่องรอยบางอย่างแสดงการขนย้ายเช่นรอยลากบนพื้นและรอยตอกเล็กๆห ล, ลายแห่งบนผนังแววเสียงน้ำฝักบัวตกกระทบพื้นเข้าหูพฤรหัดคนลุกเยือกหรือว่าบ้านหลังนี้มีไว้ใช้อาบน้ำจริงๆ